อันที่จริงแล้วอริยสัตว์เนี่ยนะมันมั น, ม, นมันทุกข์สัตย์มากเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเห็นสนะัตว์นี่ไม่ค่อยเห็นเพราะพยายามเห็นในแง่อัตสาธะอยู่ตลอดเวลา ท, ทั้งทั้งที่ทุกข์สัตย์นะมันปัญหาสารพันอยู่ในนั้นนะ่ะแต่ก็ยังนึกไปหาอัตสาธะจนได้ในโลกนี้นะเชื่อไหมใครที่มองเห็นอัตสาธะในขันห้ามากคนนั้นจะได้รับการยกย่องมากว่าโดย ร, มรวมๆเนี่ยนี่นะพัน <c oughs> พวกที่หยิบอัาธะของสิ่งต่างๆมาพูดได้เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปนีนะเรียกว่านับว่าความเจริญในโลกนี้นะความเจริญที่เป็นความเสื่อมะนะแต่ว่าเชื่อไหมว่าถ้าเห็นอัาธะมากเท่าไหร่นะวัตะยาวเท่านั้นเพิ่มพูนวัตตาให้แกตัวเองเท่านั้นทับถมทุกข์ให้แก่ตัวเองเท่านั้นคืออยากจะเน้นอยากจะบอกว่า ถ้าเราไม่พยายามเห็นอาทีนวะเจริญสมถาวิปัสนาจนบรรลุมรรคผลในชาตินี้นะโอกาสต่อไปนะ่ายากเพราะว่านี่พศเท่าไหร่ละสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าหลังจากปรินิพันธ์ถ้าเราสมมติจากนี้ไปตายแล้วเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์อนะีกนั้นพศเท่าไหรล่ลนก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยนะขนาดรุ่นเรานับกระต้นน้ําพอสมควรใช่ไหมยังปลายขนาดนี้นะแล้วหลังจากนี้ไปมันจะขนาดไหน นะก็น่าเห็นใจนะเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดเป็นอันขาดเนี่ยนะเรียกว่าห้ามกับพิบตาเด็ดขาดเลยนะถ้าพลาดแล้วจะเสียใจแต่ลืมว่าถ้าเป็นเดรฉานนะหมดโอกาสไม่ต้องเสียใจแลนะ้วเพราะโง่เกินกว่าที่จะรู้จักคําว่าเสียใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปนรกข้อ ย, อยังชั่วยัยงพอระลึกอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็นเดรฉานทั้งหลายเมื่อเช้านี่ปล่อยสัตว์เนี่ยสัตว์มันว่ายังไงมัง่ง <c oughs> นะนะมันดีใจมากเลยนะที่มันรอดตายเนี่ยนะ มันจะได้ไปหามหาพูดต่อเนี่ยนะก็ก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆสแวงหามหาพูดห่วยหิวอยู่มหาพูดลำบากเดือดร้อนในเรื่องมหาพูดเราถ้ามาใหม่ก็มาบริหารมหาพูดอีกต่อไปเนี่ยนะก็ดูแลมหาพูดปรับปรุงมหาพูดบำรุงบำเริมหาพูดทั้งภายในมหาพูดภายนอกนะนี่ก็ได้เกือบได้เวลามหาพูดพักผ่อนอีกแล้วเนี่ยนะก็ก็วุ่นุ่นอยู่ในมหาพูดนี่แหละเน งั้นถ้าหากว่าแทงตลอดอริยสัจก็พ้นจากมหาผู้ที่เป็นอบายนะนะอริยสัจนั้นตรัสรู้เนี่ยถ้าใช้คําว่าอริยสัจนะเท่ากับแสดงอริยมรรคสี่อยู่แล้วทั้งอ่านะเพราะว่ามรรคนี้เป็นทั้งโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยนะงั้นการเห็นอริยสัจนี่นับว่าเป็นมงคลมันสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เห็นอริยสัจนับว่าอัปปมงคลเนี่ยนะ ก็หมู่เดรฉานทั้งหลายนั่นแหละผลของการไม่เห็นอริยสัจนะเห็นเดรฉานที่ไหนน้อมใจเธอว่านั่นเพราะเขาไม่เห็นอริยสัจเราทั้งหลายถ้าไม่เห็นอริยสัจเราก็จะเป็นเช่นนั้นนั่นแหละนะควรแล้วที่จะสังเวชสลดใจเนี่ยนะก็น้อมมาพิจารณาเธอว่าการตรัสรู้อริยสัจนี้มีคุณมากจริงๆนะคิดอะไรไม่ได้คิดถึงอริยสัจก็ยังดีอนะส่วน นิพพานนะนิพพานในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงอรหัตตผลหมายถึงอรหัตตผลเพราะว่าตัวสภาวะของนิพพานก็อยู่ในคําว่านิโรสัจจะอยู่แล้วนะถ้าถ้าเป็นนิพพานที่เป็นนิโรสัจจะแต่ในที่นี้นิพพานในมงคลสูตรเป็นชื่อของอรหัตตผลชื่อว่านิพพานเนี่ยนะนิพพานนะสัจฉิกิริยาทําให้แจ้งในพระนิพพาน จึงอยู่อรหัตผลแม้ น, นั้นท่านกล่าวว่านิพพานเพราะออกจากตันหาที่เข้าใจกันว่าวานะเพราะร้อยเอาไว้ในคติห้าตันหานะมันร้อยเอาไว้ให้เย็บไว้ในนรกร้อยเอาไว้ให้ติดไว้ในเปรตเดรัจชานและมนุษย์ร้อยเอาไว้ในเทวดาทั้งหลายมันตันหานี่เป็นตัวร้อยตัวรัดตัวผูกตัวมัดถ้าใครเย็บผ้านะแล ะ, ละลึกถึงเสมอว่าตันหานี่แหละมันร้อยให้ติดเอาไว้ในคติห้า นั้นการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะนะสำหรับผู้ที่บรรลุอรหัตผลนี่ก็นับว่าเป็นมงคลอย่างเยี่ยมเลยนะพระอารหันต์ทั้งหลายนี่จึงเป็นมงคลนะองค์แห่งพระอารหันต์ทั้งหลายไปที่ไหนก็เป็นมงคลนะนะอย่างเช่ที่ในคำมภม์มังคละทีปณีก็นับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมงคลพระธรรมก็เป็นมงคลพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นมงคล ันผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ถึงระดับอรหั ต, ตผลนี้จึงเป็นมงคลการถึงหรือการพิจารณานิพานนั้นคืออรหั ต, ตผลเนี่ยนะคือการทําให้แจ้งพระนิพานนอกนี้สําเร็จได้ด้วยการเห็นอริยสัจ4ี่ด้วยเหตุนั้นการเห็นอริยสัจนั้นท่านจึงไม่ประสงค์เอาในที่นี้มันไม่ได้บอกว่านิพานที่เป็นนิโรธะอันนิพานในที่นี้เนี่ยนะเราต้องมาคิดถึงโดยศับเนี่ยนะอย่าไปคิดโดยสภาวะว่าโดยศัท์นั้นนิบวก วานะนิแปลว่าไม่มีวาณะเป็นชื่อของตันหาที่ร้อยรัดผูกมัดอรหัตผลเนี่ยสิ้นตันหาที่ร้อยรัดผูกมัดทั้งมวลจึงเรียกว่านิพานการทําให้แจ้งพระนิพานหมายถึงการทําให้แจ้งอรหัตผลเพราะเป็นเหตุให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นต้นเห็นไหมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันใช่ไหมการเข้าพระ สมาบัติเนี่ยนะคือการเข้าอรหัตผลสมาบัติเนี่ยนะถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าอ่านในคัมภีร์นะ ถ, ถ้าเจอว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านออกจากที่หลีเล่เรนเนี่ยหมายถึงว่าท่านออกจากการเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะออกจากคําว่าที่เรนที่เรนของท่านเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านไปแอบนิ่งอะไรไม่ใช่หรอกแต่หมายถึงท่านไปเข้าพระสมาบัติโดยเฉพาะอรหัตผลสมาบัติ ทีนี้อรหัตผลสมาบัติเนี่ยนะมีหลายระดับฌานแต่โดยมากถ้าเป็นพระพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะเข้าอารหัตผตลระดับฌานที่สี่คือถ้าเข้าฌานสมาบัตินี่ก็นับว่ามีความสุขเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมแต่เป็นฌานที่เป็นโลกุตระแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยจะสุขขนาดไหนเพราะฉะนั้นอัธยาศัยของพระอริยะทั้งหลายน้อมไปสู่การเข้าอารหัตผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ท่านชํานาญในสิ่งนี้มาก พระอรหันต์ทั่วๆไปนิยมทําแบบนั้นแต่ไม่ใช่ทําด้วยตัณหานะเพราะนิพานเป็นสภาพที่สิ้นตัณหาส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเสียสละความสุขอันนั้นมาแสดงธรรมเนี่ยนะมาเที่ยวประกาศธรรมจาริก น, นนะคือเสียสละที่เรียกว่าความสุขสุดยอดไม่มีอะไรจะสุขขนาดนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งสามารถเข้าสุขอย่างนั้นทีละห้าวันเจ็ดวันกี่วันก็ได้พระองค์ทาได้หมดแต่ก็สละความสุขเหล่านั้นมา เที่ยวสั่งสอนพุทธเวนัยทั้งหลายเที่ยวสั่งสอนเวนยศัตว์ทั้งหลายประกาศอริยาศาสตว์ทั้งหลายให้ผู้อื่นได้รับความสุขเหล่านั้นด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ถ้าเราศึกษาอย่างนี้ก็จะเห็นพระพระมหากรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สละแม้กระทั่งความสุขระดับสูงสุดมาเพื่อที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนยศัตร์ทั้งหลายเวนยเวนใย น, นี้มาจากวิยัย เวนายสัตว์ก็คือสัตว์ที่ควรแก่วินัยควรแก่สังวรวินัยและควรแก่ปหาณวินัยพระองค์นี้เสียสละความสุขทั้งมวลเพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่จะมีปหานวินัยกับสังวรวินัยแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นๆนะพระองค์มองไม่เห็นคำว่าไม่เห็นคือไม่เห็นวินัยอะไรพอมีอยู่ในตัวเาถ้าไม่เห็นว่า สมควรจะมีวินัยในตัวเขานะ mm hmm. พระ อ, องค์จะหลีกเล่น น, นะถ้าไม่คู่ควรแก่สังวรวินัยและปะานาวินัย mm hmm. พระ อ, องค์จะไม่ไปโปรดเลยอันเราทั้งหลายก็หมั่นสังสมอุปนิสัยแห่งอะไร mm hmm. วินัยเนี่ยนะสังวรวินัยกับปหานวินัยเอาไว้ให้ดีจะได้เป็นพุทธเวไนยเป็นต้นในอนาคตเนี่ยนะอันคาถาที่ผ่านมาว่า ตโปโจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานทัศนังนิพพานสัชกิริยาเอตมังคลมุตตมังคาถานี้เนีเป็นคาถาที่ศีลสมาธิปัญญาอยู่ในคาถาเดียวเพราะว่าตโปหรือตบะอันนี้หมายถึงจะตก ป, ปาริสุทิศีลสมณธรรมหรือพรหมจรรย์ก็หมายถึงสมณธรรมก็เน้นไปที่สมถะเป็นต้นเนี่ยนะการเห็นอริยสัจนั่นแหละเป็น วิปัสสนาเป็นปัญญาระดับสูงเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติอย่างนี้ก็ทําที่สุดทําให้แจ้งอรหัตผลได้มั้นก็คาถานี้ก็ประกาศอริยสัตตรัสแสดงมรรคผลนิพพานไว้อย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงอนิสงค์ของผู้ที่บรรลุพระเป็นพระอารหรอันต์อย่างอย่างที่ที่ยกย่องสรรเสริญจึงกระเห่าคาถาที่เป็นมงคลคาถาสุดท้ายว่า พุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานกรรมปติอโศกังวีรชังเข ม, ม, ม, ม, มังเอตัมมังกลมุตตะมังเนนะพุทธสโลกธรรมเมหิก็หมายถึงว่าพุทธะตัวนั้นแปลว่ากระทบนะนะโพธภานะพุทธะแปลว่ากระทบกระทบกับโล ก, กธรรมนั่นะคำว่าพุทธสะแปลว่าถูกต้องประสบหรือว่าถูกแล้วต้องแล้วมาคือการกระทบนั่นเองการกระทบกับโล ก, กธรรม คือธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในในโลกหมายคืาว่าถ้ายังมีโลกอยู่ธรรมเหล่านี้ก็ไม่ห่างไปจากโลกถ้ามีโลกกับโลกกระธรรมนี่มันเป็นของที่เป็นไปด้วยกันเพราะธรรมแปดอย่างนี้เป็นธรรมะที่เป็นไปประจำโลกนะโลกโลกไหนโลกที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละเนี่ยมีกี่โลกเนอมีอยเนี่ยก็ถ้าอยู่ห้าสิบคนก็ห้าสิบโลกเนี่ยนะทุกคนก็จะได้ โลกกระทำตามสมควรแก่แก่ตนแก่ตนใช่ไหมบางคนก็ได้ลาบบางคนก็เสื่อมลาบบางคนก็มียศบางคนก็เสื่อมยศบางคนก็นินทาถูกนินทาบางคนก็ได้รับคําสรรเสริญบางคนก็กําลังรับสุขรับทุกข์อยู่ในขณะนี้ความสุขความทุกข์ที่นั่งอยู่ตอนนี้ไม่เท่ากันนะบางคนนี่ทุกขะกาญยวิญญาณกลุ่มรุมมากนะนะบางคนก็ สุขากายญวิญญาณก็มีมากมันแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันมันโลกธรรททั้งหลายก็ไม่ได้ละเว้นใช่ไหมถ้ายิ่งสุขทุกเนี่ยนะถ้ามีทวารหกเนี่ยไม่มีพ้นเลยนะเพราะทวารหเป็นที่ตั้งแห่งสุขและทุกทั้งมวลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตของผู้ใดที่ถูกโลกธรรมอย่างนี้กระทบถูกต้องแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนก็คือจิตของผู้ใดอันโลกธรรม กระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตของผู้นั้นเพิ่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งสุขสูงสุดเรียกว่านำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลกคือเข้าถึงโล ก, กุตระเนี่ยนะนะขอทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งว่าโลกธรรมฝ่ายดีคือลาบยศสรรเสริญสุขอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์นะทุกนินทาเสื่อมยศ เสื่อมลาบอยู่ในฝักฝ่ายแห่งทุกข์สัตย์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีโลกธรรมฝ่ายดีมากก็กําลังพอกพูนสมุทัยสัตว์อยู่ถ้ากําลังรับโลกธรรมฝ่ายร้ายทุกข์สัตว์กําลังปรากฏเ น, น, น, นี่นะแปลว่าถูกสัตว์เบียดเบียนอยู่นี่นะไม่ไดีสักอย่างสาธุสาธุขอให้เห็นอย่างนี้เถิเนี่ยนะจักพ้ น, น, น, น, นทุกข์แน่แล้วก็ ถ้าจิตของผู้ใดเหนือโลกธรรมทั้งสุขทุกข์หมายคำว่าโลกธรรมฝ่ายไม่ดีเขาก็ทําปริญญาโลกธรรมฝ่ายดีก็ตัดฉันธราค่าได้จิตนี้นี่แหละเรียกว่าจิตสูงสุดเป็นจิตที่เป็นมงคลจริงๆงนะนอย่างเช่นจิตของพระพุทธเจ้าใช่ั้มเสด็จไปทุกคนทุกแห่งโดยที่ไม่ถูกโลกธรรมชาบทานในจิตของพระองค์เลยเพละะินจิตของพระอรหันตะ์ะคีณาศพ นั่นแหละคือจิตของผ้ า, ารันผู้สิ้นอาสวะนั่นแหละจิตนั่นจึงเป็นมงคลที่พระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าภูเขาหินแท่งนะทึบแท่งเดียวย่อมไม่วันไหวด้วยลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำทั้งสิ้นทั้งอิทธารณมทั้งอนิถารณมย่อมทำจิตของท่านผู้คงที่ให้หวันไหวไม่ได้ก็ฉันนั้นด้วยว่าจิตของท่านที่มั่นคงหลุดพ้นแล้ว ย่อมเห็นความเสื่อมอยู่เนืองๆคงเคยได้ยินนะว่ากำลังของพระอรหันต์คืออะไรท่านบอกว่าสังขารทุกชนิดมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงชำนานมากไม่มีสังขารใดที่ท่านน้อมไปที่จะนิดเดียวให้เห็นว่าเที่ยงไม่มีทุกสังขารทุกชนิดน้อมโดยความเป็นอนิจจ์เนี่ยชนานาญที่สุดเพราะชาวนะปัญญาท่านดี ปัญญาของท่านเล่นไหวมากในสังขารทั้งมวลล้วน ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประหี่ไกลและใกล้เนี่ยนะท่านเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างชํานานอย่างมากนะเพราะฉะนั้นไอความที่ท่านเห็นความเสื่อมคือความไม่เที่ยงของสังขารอยู่เนืองๆแล้วท่านเห็นกิเลสกรมทั้งหลายประดุดฐานเพลิงจิตของท่านจึงโอนไปใน วิเวกเงื้อมไปในวิเวกดํารงมั่นอยู่ในสติปฐานเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ท่านจึงไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่เป็นโลกียะทั้งมวลเนี่ยนะเพราะจิตของท่านไม่ได้มุ่งมาสู่สิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยคนที่ยังถูกโล ก, กธรรมครอบงำอยู่ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยสยบกับโล ก, กธรรมคือเพราะตัวเองสยบกับโลกจึงถูกโล ก, กธรรมย่ํายี นันผู้ที่ออกจากโลกแล้วเนี่ยนะก็ไม่ถูกโลกกระทาครอบงาย่ำยํำยีอะไรเนี่ยนะนั้นคนที่ถูกโลกกระทาครอบงําอยู่ก็คือผู้ต้องการโลกเนี่ยนะผู้ยินดีในโลกก็เลยถูกทําประจําโลกเล่นงานเอาหน้าดูเลยน ะ, ะเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกบ้างเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เสียนะได้<น>ก็คือลาบนะเสียก็เสื่อมลาบใช่ไหมเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็ถูกชมเดี๋ยวก็ถูกด่าเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แหละ ส่วนจิตของพาาระอรหันเนี่ยท่านไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งมวลจึงอยู่จิตของพระขีณาสพนั้นชื่อว่าอาโศกะอนนี้มงคลข้อที่สิบหกขอไปข้อที่36นะอโศกังอโศกะแปลว่าไม่เศร้าโศกนะอย่างเช่นอโศกะนี้ผู้ใดที่มีจิตที่ระดับอาโศกะก็คือจิตที่ไม่เศร้าโศก ส่วนไอ้คำว่าเศร้าโศกหมายถึงความโศกความเศร้าความเป็นผู้เศร้าโศกความแห้งใจความแห้งผักในภายในความที่ใจถูกความเศร้าโศกแผดเผาอันนี้แหละเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าโศกะใช่ไหมจิตของพระขีณาสพไม่มีโศกะแบบนั้นจิตของพระขีณาสพนั้นชื่อว่าอาโศกกะชั้นใดก็ชื่อว่าวีรชาปราศจากทุรีเขม ะ, กะเกษฉันนั้นเพรา ะ, ะนั้นอาโศกังวีรชังเขมังนะอโศกังเนี่ย อโศกเป็นมงคลที่36ใช่ไหมวิราชาวีรชังนี่เป็นมงคลที่37เขมะเขมังเป็นมงคลที่38ปพันจิตของพระอระหันเนี่ยอโศกะไม่เศร้าโศกวีราชาปราศจากทุรีเขม ะ, กะเกษมจริงอย่างนั้นจิตของพระขีณาศพนั้นชื่อว่าวีราชาเพราะปราศจากละองกิเลสมีราคาโทสะโมหะเป็นต้นชื่อว่าเขมะเพราะปลอดจากโยฆาทั้งสเนี่ยก็ ปลอดปลดโปร่งจากโยค่าทั้งหมดเพราะชนะเพราะว่าจิตทั้งสามอย่างนั้นโดยที่ท่านถือเอาแล้วในขณะจิตเป็นไปในอารมณ์นั้นนั้นโดยอาการนั้นนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลอันนั้นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยมงคลดังกล่าวไปก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่หมเออมงคลที่สาสิบห้านะอะเออไม่หม ว, ว, ไวไนนั่นไหวไงอนน น ก, กรรมปรติกก ร, รมปรติก็คือไม่วันไหวมงคลที่36คืออาโศกะมงคลที่3 7คือวิรชะมงคลที่38เขมะเขมังเนี่ยนะทีนี้มงจิตของพระอรหันต์ที่ไม่วันไหวไม่โศกไม่มีธุลีเป็นจิตที่กเกษมที่เป็นมงคลเพราะว่านำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลก มีความเป็นผู้มีขันอันไม่เป็นไปแล้วหมายคําว่าขันในวัฏฏะจะสิ้นสุดหลังจากจุติไปเนี่ยนะหลังจากจุติแล้วก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นสักทีหนึ่งเพราะนํามาซึ่งความเป็นอาหุนนยะบุคคลเป็นต้นหลังจากนั้นท่านเป็นสุดยอดของนาบุญนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า เพราะว่ายังของที่เล็กน้อยของผู้ที่กราบสการะเคารพกราบไหว้ยังผลอันภัยบุญหาประมาณไม่ได้ให้เกิดแก่แก่ผู้ที่ที่เป็นทายกเนี่ยนะแม้กระทั่งท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ที่ปฏิบัติตามมงคลจนครบทั้งสามบนะบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นสัตว์บุตรควรครบหาเป็นต้นเนี่ยนะถือว่าเป็น บัณฑิตที่ควรเคารพเนี่ยนะเป็นปูชนียบุคคลที่ควรกราบไหว้ทั้งหมดเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็เป็นเป็นมงคลเคลื่อนที่ได้เลยนะนะั่นแหละสรุปที่ผ่านมาก็ผ่านไปทั้งสามสินะมงคลนะนะสามสิบดมงคลแล้มีอะไรบ้างนะทบทวนไปดูหน้าแรกที่เรียนครั้งแรกๆเลยนะข้อหนึ่งนะมงคลที่หนึ่งไม่คบคนพาลมงคลที่สองการครบบัณฑิต มงคลที่สการบูชาผู้ที่ควรบูชามงคลที่สี่ก็คือการอยู่ในประเทศอันเหมาะสมมงคลที่หคือความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในชาติก่อนมงคลที่6การตั้งอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบมงคลที่7ความเป็นปหูสูตรมงคลที่8ความเป็นผู้มีศิละปะมงคลที่9 วินัยที่ศึกษาดีแล้วมงคลที่10มีวาจาสุภาษิตมงคลที่11บเอ็ดำรงมารดามงคลที่12บสองบำรงบิดามงคลที่13สงเคราะห์บุตรและธริยามงคลที่14การงานอันไม่อากูลมงคลข้อที่15ทานมงคลที่16ธรรมจริยาประพฤติ ธ, ธรรมมงคลข้อ17 สงเคราะห์ญาติมงคลที่18การงานนั้นไม่มีโทษมงคลที่19การงดเว้นจากบาปมงคลที่ยีสงดเว้นจากการดื่มน้ําเมามงคลที่21ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งปวงมงคลที่22ความเคารพมงคลที่23ความถ่อมตนมงคลที่24 ความเป็นผู้สันโดษมงคลที่25ความกระตัญยูมงคลที่36 26เออ้าไปสิเนาะมงคลที่26การฟังทำตามการมงคลที่27ความอดทนขันตินะมงคลที่28ความว่างง่ายมงคลที่29การเห็นสมมณะมงคลที่30การสนทนาทำตามการมงคลที่31มสบตาบะ มงคลที่32พรหมจันทร์มงคลที่33การเห็นอริยสัจมงคลที่34การทำอรหัตผลให้แจ้งนิพานตัวนั้นเป็นชื่อของอรหัตผลมงคลที่35ไม่หวั่นไหวจิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมมงคลที่36จิตที่ไม่เศร้าโศกมงคลที่3 8เอ 37, ไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลส เขมเอ่อวีราชาเนี่ยนะวีราชาไม่เศร้ามองด้วยกิเลสมงคลสุดท้ายก็เขมะเกษมปลอดปโปรง่งทั้งหมดนี่เป็นมงคลทีนี้โดยสรุปว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลนี่แล้วไม่พ่ายแพ้ในค่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่แลมงคลอุดม ของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีมงคลเหล่านี้นะจะไม่พ่ายแพ้แก่ขันธมารไม่พ่ายแพ้แก่กิเลสมารไม่พ่ายแพ้แก่อภิสังขารมารคือกรรมไม่พ่ายแพ้แม้แต่เทวปุตตมารเพราะฉะนั้นทำลายมารทั้งสี่ประการให้พินาศโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่ประพฤตในมงคลสประสาิแปดประการทำลายมารทั้งสี่ประการนี้ได้แล้วถึงความสวัสดี ในที่ทั้งปวงไม่ว่าโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าจะเป็นที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอาสวะบาปอกุศลเหล่าใดที่จะทำให้คับแค้นเร่าร้อนที่เกิดจากความอับประมงคลทั้งมวลเหล่านั้นก็เป็นอันสิ้นไปเนี่ยนะก็ถือว่าทำลายความอับประมงคลได้สิ้นเชิงเป็นผู้ที่ไม่มีอาสวะเป็นผู้ที่ไม่มีอุปธวะไม่มีอุปสรรคประเสมปลอดโปร่งไม่มีภายในที่เฉพาะหน้าเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็มงคลทั้งสามสิบแปดนี้ก็รับว่าเป็นมงคลที่เป็นไปเพื่อความสวัสดีในที่ทุกสถานเนี<ๆ>่ยนะก็บอกว่าตอนท้ายสุดของเทศนามมงคลสามสิแปดนี้เทวดาบรรลุแสนโกรธพระโสดาบันสกาธาคามีอนาคามีนับประมาณไม่ได้<ๆ>แล้วของเราล่ะคุณชูศรีเป็นยังไง<ๆ>เงียบปีก<ๆ>ไอ้ว่าเลยนะ<ๆ><ๆ>อาจารย์นีดล่ะ<ๆ>ได้ แล้วก็ได้ฟังมงคลแล้วนะรุ่นใหม่นี่ละไม่ต้องห่วงแล้วพวกเรารุ่นใหม่นั้นรุ่นนั้นรุ่นเก่ารุ่นพี่บรรลุไปแล้ว <c oughs> รุ่นเราบ้าง <c oughs> ของเรารุ่นหลัง <c oughs> ๆใช่ไหมก็ถ้าปฏิบัติตามมงคลอย่างไรเราก็ถึงมงคลทั้นสูงสุดใช่ไหมมงคลที่สูงสุดก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมที่สุดแห่งวัตทุกข์ได ทนมงคลเหล่านี้เนี่ยนะทั้งสามสิบแประการเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดไปปฏิบัติไปเจริญตามมงคลเหล่านี้ก็หวังแต่ความเจริญได้ส่วนเดียวซึ่งมงคลเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นการกล่าวโดยลำดับก็เป็นการกล่าวถึงลำดับของการปฏิบัติที่บริบูรณ์ที่สุดนะเป็นหัวข้อโครงสร้างของการปฏิบัติทำในพระาศาสนานี้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่อย่างเดียวพราะเป็นหัวข้อที่ใหญ่ๆมาก น, นะมงคลแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นถ้าใครทำความเข้าใจให้ดีอย่างเพียงพอเนี่ยควรแล้วที่จะสิ้นทุกเนี่ยนะเพราะว่าแต่ถ้าสำคัญที่สุดนะมงคลทั้งหมดเนี่ยข้อไหนสำคัญที่สุดขอมาว่าข้อหนึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนการคบคนพาลเนี่ยนะถือว่าความเสียหายที่สุดทีนี้ก็อย่างที่ว่านะถ้าคนนั้นเป็นเราจะว่าไงนะ อันนั้นก็เสียหายที่สุดมันกันหวังว่าเราทั้งหลายคงจะไม่เป็นพานตัวเองจะได้ไม่คบคนพานสะทีหนึ่งนะก็ะคนอื่นเราจะไปทำอะไรเขาได้นะท่ะก็จากมงคลที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดก็ขอบุญกุศลที่เราที่เราทั้งหลายได้ทำมงคลนนับตั้งแต่การครบบัณฑิตเป็นต้นเนี่ยนะ ถึง ก, การบูชาพระเจดีย์ทั้งสี่แห่งนะใหญ่ๆแต่ก็มีหลายท่านอาจารย์สันติวันนี้ก็ไปอีกหลายแห่งไปอีกเป็นแห่งๆอนะก่อนก่อนก็ไปสนับว่าบูชาจากปูชนียานางบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยอมิตรเนี่ยพร้อมทั้งการรักษาศีลการให้ทานการฟังธรรมอันับสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นมงคลที่เราทั้งหลายได้ทําดีแล้วมันด้วยอํานาจแห่งมงคลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประพฤติใน กุศลธรรมจริยาทั้งหมดที่ได้กล่าวไปขอมองคลเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่มีกำลังให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ น, นบรรลุเข้าถึงมงคลทั้ง38ที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับทุกท่า น, น, นเจิญพ ร, ร, ร, ร, รไม่สว่างเลยนะ เนแต่ที่แน่ๆก็พอจบปั๊บสว่างเลยนะทุกานก้าวอะไรหน่อยไหมก็เดี๋ยวก่อนจะสวดมนต์แล้วก็ที่สงสวนนะครับเอ่อ พวกที่มาจากกรุงเทพก็คงจะได้ฟังธรรมะแต่ยังยังไม่อิ่มใช่ไหมครับไม่ทรางท่านิมนต์โตรุงนี้จะก็คงได้ความปิติปราโมทย์จากการฟังพระธรรมในสี่ห้าวันนี้นะครับโดยเฉพาะจากการที่เราได้ อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยยิ่งขึ้นมากๆเลยทีเดียวที่ได้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุตั้งหลายที่แล้วก็ได้ฟังพระสัจธรรมโดยเฉพาะมีพระภิกษุที่เออก็จะเรียกว่าเอไม่ทราบใครเรียกนะครับตู้พระไตรบิฎกเคลื่อนที่นะครับก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาท่านมากก็ทุกคนก็คงจะหวังในการที่จะ คงจะหวังมาที่นี่อีกแล้วมั้งก็กราบอนุโมทนาท่านพระอาจารย์สมบัตินะครับที่เสียสละความสุขส่วนตนนะครับเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นแล้วก็ผู้การก็เสียสละอย่างมากเลยในการที่จะให้ทุกอย่างนะครับทั้งสถานที่แล้วก็อาหารต่างๆก็กราบอนุโมทนาทั้งสองท่านนะครับส่วนอุบาสกบาสิกาก็ ท่านพูดเรื่องมหาพุทธมหาพุทธ ร, รูปบ่อยก็เลยบริจาคมหาพุทธ ร, รูปให้ภู ก, การช่วยนำไปจัดการเผยแพร่พระธรรมทางวิทยุแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับจำนวนหนึ่งเดี๋ยวพวกเราพร้อมกันไว้พระสสด็จมนนะครับอรหังสัมมาสัมพุทธพระควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองบททางพระชาวันตาอภิวาเดมิถ้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสาโตพระทวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทา ม, มงนามสามีข้าพระเจ้าน้มสักการพระธรรม สุปฏิปานโนภาชวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระพาเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนา ม, ามีข้าพเจ้ า, านอบน้อมพระสงฆ์นาโมตาาัสสะภาวะโต อาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อาราหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสามบุษสะตาสรู้ชอบได้โดยพระองค์ <c oughs> เ <c oughs> ชิญ อ, อุทิศส่วนกุศลนะครับข้าพเจา้า <c oughs> ขออุทิศส่วนกุศล <c oughs> ที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ <c oughs> แด่บุปการี ม, ม, รรมีมารดาบิดาเป็นต้นแต่ญาติมิตรสหายผู้ล่วงลับไปแล้ ว, ต ล, ลลวตลอดจนเทพพยายดาและอมนุษย์ทั้งหลายขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อ, นนดอันมโมทนาโดยทั่วกั น, น, น, นและด้วยผลของกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ ขอจงเป็นพราวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำทรงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งบรรลุแล้วด้วยเถิน